บำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเริดอย่างยิ่งด้วยจิตที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแก่กล้าเพราะเชื่อว่าได้มาพบกับ สิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้จะเลิศจะประเสริฐจะวิเศษเท่ากับพระพุทธศาสนาเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เพราะเป็นสิ่งเดียวในโลกที่สามารถจะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจาก วัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้สามารถที่จะทำได้อย่างที่พระพุทธศาสนาที่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้ได้เราจึงไม่ปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตเรา ให้ผ่านไปให้หมดไปโดยไม่ได้ตักตวงพระพุทธปฏิบัติเพื่อที่จะได้เอาสิ่งที่วิเศษนี้มาเป็นสมบัติของเราเพราะเมื่อเราได้พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ในใจของเราแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เราจะมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวดังนั้นวันเวลาใดที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็จะมุ่งมาที่วัดกันเพื่อมาตักดวงผลประโยชน์จากพระาศาสนานี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเรา ได้ยินได้ฟังคำเตือนของพระรมศาสดาในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ตอนที่ก่อนจะเสด็จดับขันธ์ทะปารานิพานไปพระองค์ได้ตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสอนคำสั่งอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทรงมีความห่วงใยแก่สาโลกเป็นอย่างยิ่งกลัวว่าจะปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้หลุดไปจากมือไม่ได้ทาสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ แก่ชีวิตจิตใจของตนอย่างแท้จริงพวกเราจึงล้ำลึกถึงคําสอนนี้อยู่เสมอล้ำลึกว่าชีวิตคือสังขารร่างกายของพวกเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่จะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะ รับรองได้รับประกันได้เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราต้องถือว่าชีวิตของเรานี้อาจจะหมดไปได้ในวันนี้หรือในขณะนี้ก็ได้เพราะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่มีเหตุที่จะเลื่อนเวลา ของการประพฤติปฏิบัติของการบางเพ็ญหน้าที่ของเราเพื่อที่เราจะได้แก้วคือพระรัตนตรัยอันวิเศษนี้มาเป็นสมบัติครอบครองถ้าเราไม่รำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่สอนตนว่าเราจะต้องตายได้ทุกขณะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ เพราะถึงแม้จะอยู่ในสถานที่ปลอดภัยที่สุดก็ตามร่างกายก็ยังหยุดทำงานได้อยู่ดีๆอาจจะฟุบลงไปหัวใจหยุดเต้นไปทันทีก็ได้พวกเราจึงต้องดำนึกอยู่เรื่อยๆและเราจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีความสำคัญ เท่ากับการบำเพ็ญเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการกระทำอย่างอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะตัดภพชาติของเราให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปเนื้อให้หมดไปได้มีแต่จะเพิ่ม ภบชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ <Yeah. S 1> นี่แหละคือสาระสำคัญของชีวิตเราอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อน้อมเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ใจของเราพระรัตนตรัยนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกัน คือพระรัตนตรัยภายนอกและพระรัตนตรัยภายในพระรัตนตรัยภายนอกเช่นพระพุทธรูปนี้หรือหนังสือธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังผ่านการแสดงธรรมเทศนาของพระภิกษุสงฆ์ของครูบาอาจารย์ต่างๆ นี้เรียกว่าเป็นเป็นพระรัตนตรัยภายนอกคือยังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของเรายังไม่สามารถทำหน้าที่ปลดเปื้องความทุกข์ทั้งหลายปลดเปื้องพบชาติต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้เปรียบเหมือนกับยา ยาที่ยังอยู่ภายนอกของร่างกายต่อให้เป็นยาที่มีความวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายยานั้นก็ยังไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้ยังไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใด พรัตนตรัยภายนอกคือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ดียังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของเรา ก็ยังไม่มียังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องกำจัดทุกภัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปถึงแม้เราจะตั้งตนอยู่เป็นพุทธมามะกะคือมีความเชื่อในพระรัตนตรยัยยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะ ด้วยการแป่งวาจาว่าพุทธังธรรมังสังขังสรนังกัจฉามิยังถือว่าไม่เป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ใจของเราการที่จะเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ใจของเรานี้จะต้องมาโดยทางศึกษาที่เรียกว่าปริยัติธรรม ตามด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นอริยมรรคผลขั้นต่างๆที่เรียกว่าปฏิเวทธรร ม, มถึงจะถือว่าเราได้มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราแล้วพระรัตนตรัภายนอกอยังไม่สามารถ ปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้อยู่อย่างปราศจากทุกภัยได้ต้องเป็นพระรัตนตรัยภายในใจที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชิอุชุชยายะสามีจิปฏิปันโนคือ ปฏิบัติชอบหมายถึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอุชุหมายถึงการปฏิบัติตรงตรงต่อพระนิพพานตรงต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ยายะหมายถึงการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ต้องการอย่างอื่นจากการปฏิบัติ ไม่ต้องการลาบลดเสริญสุดแต่ต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นรางวัลสามีจิคือเป็นการปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องนี่เองนี่คือการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติกันศึกษาแล้วก็นำเอามาปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ว่า เราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราศึกษาแล้วก็เหมือนกับเรามีแผนที่นำทางการศึกษานี้ก็ศึกษาได้หลายรูปแบบด้วยกันศึกษาจากคู่บาอาจารย์ผู้ผู้ผ่านมาแล้วผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบฟังเทศฟังธรรมกับท่านหรืออยู่ปฏิบัติกับท่าน ท่านสอนให้ทำอะไรก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนหาหนังสือของครูบาอาจารย์หนังสือของพระพุทธเจ้าหรือเทศนาที่อัดเสียงไว้ในแผ่นมาเปิดฟังฟังด้วยการมีสติ ฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อตั้งใจไม่ได้ฟังสัตว์แต่ว่าฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าได้ยินได้ฟังอะไรเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นหรือมัวไปทำภารกิจภารกิจอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นแล้วการฟังก็เป็นการฟัง เป็นพิธีเท่านั้นไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าจะฟังให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ควรไม่ไม่ควรที่จะทำอะไรอย่างอื่นกายกับวาจาควรจะตั้งอยู่ในความสงบที่เรียกว่าเป็นศีลไม่ไปทำอะไรไม่ไปพูดอะไรมีแต่ตั้งใจ นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ฟังใจก็สงบมีสติจดจอ่อคอยรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาตามไปก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจถ้าฟังเฉยๆโดยไม่ได้พิจรารณาแต่จิตมีสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรม ก็จะกล่องให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ถ้าฟังแล้วพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลที่ที่ได้แสดงไว้ก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจ mm hmm. เกิดปัญญาที่จะไปดับความเห็นผิดผิดชอบได้ mm hmm. ไปตัดความโลภความโกรธต่างๆได้ นี่คือหลักของการฟังเทศฟังธรรมควรจะฟังอย่างนั้นแต่ถ้าอยากจะเปิดฟังแล้วทำอะไรไปด้วยก็ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองเพราะขนาดที่ทำอะไรอยู่ใจก็ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ ใจก็จะไม่ได้ยินเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วเข้ามาสัมผัสกับใจหรือได้ยินก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะพิจารณาตามใจยังเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทําอย่างเรื่องอื่นอย่างอื่นใจก็จะไม่สงบเท่าที่ควรและจะไม่ได้ปัญญา ความเข้า อ, อกเข้าใจเท่าที่ควรนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการกระทำที่ดีแต่ก็ต้องควรจะกระทำให้ถูกต้องเพื่อจะได้ประโยชน์เต็มที่นั่นเองบางคนมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่บ้านก็เปิด ธรรมะฟังทั้งวันในขณะที่ทำภารกิจอื่นๆหรือในขณะที่ขับรถยนต์ก็เปิดฟังไปอย่างนี้ใจจะแยกเป็นสองเพราะจะต้องฟังด้วยแล้วก็ทำกิจที่กำลังทำอยู่ด้วยใจก็จะสลับไปสลับมาก็จะไม่ทำให้ใจนิ่งได้ สงบได้และจะไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพราะไม่ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่ถ้าเราฟังแบบมีสติฟังแบบกายวาจาที่สงบนั่งขัดสมาธิฟังไปเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆอย่างนี้ โอกาสที่จิตจะสงบโอกาสที่จะเกิดปัญญานี้จะมีมากกว่าหลายเท่าด้วยกันจึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนี้ไว้ให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอาไปไข้ครควน พ, พ, พิจรารณาทบทวนอยู่เรื่อยๆไม่ใช่พอเราเลิกฟังแล้วเราก็ลืมไปหมดลืมไปว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาบ้างเพราะเราต้องไป ทำธุรกิจอย่างอื่นถ้าเราอยากที่จะรักษาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเราต้องพยายามหมั่นคิดถึงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรพอมีช่องว่างให้ใจได้คิดก็ควรจะคิดถึงธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเพราะไม่เะ่นั้น ถ้าเราไม่คิดต่อไปเรื่องอื่นๆที่เราคิดก็จะมากรบมาลบเรื่องของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปจนหมดเราก็เลยเหมือนกับไม่มีแสงสว่างนำทางได้แสงสว่างมาเพียงไม่กี่นาทีแสงสว่างนั้นก็ดับไป เราก็กลับไปอยู่ที่เดิมที่ที่เราตอนที่เรายังไม่ได้ได้ฟังฟังธรรมะก็ยังมืดบอดเหมือนเดิมอยู่ดังนั้นเราหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราควรที่จะนำเอามาค่ายควรวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเมื่อจาเป็นที่จะต้องค่ายควรวนทุกสิ่งทุกเรื่องที่เราได้ยินได้ฟัง เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำลังให้ความสนใจที่เราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราก็ขอให้คิดในเรื่องนั้นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เพราะการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมในแต่ละครั้งนี้จะแสดงหลายเรื่องด้วยกันแสดงตั้งแต่เรื่องขั้นเบื้องต้น จนไปถึงขั้นขั้นเบื้องปลายขั้นต่าไปถึงขั้นสูงตามลำดับไปจิตของเราอยู่ในภูมิธรรมในระดับไหนก็จะสนใจกับทำในระดับของเราทำที่ต่ำกว่าที่เราได้ผ่านมาแล้วเราก็รู้แล้วเราก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้อง ให้ความสนใจทาที่อยู่เหนือระดับของเราฟังไปเราก็ได้แต่จินตนาการไปเรายังไม่ได้เห็นภายในใจของเราแต่ทาที่เรากำลังอยู่กำลังติดขัดอยู่นี่แหละเป็นทำที่จะที่เราจะให้ความสนใจ เพื่อเราจะได้แก้ไขอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ก้าวหน้าทำให้เราติดขัดอยู่นี้ให้มันหมดไปเพื่อเราจะได้ขยับขึ้นไปสมขึ้นไปนี่คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็นำเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้ว ไม่นานเราก็จะเห็นผลขึ้นมาผลที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นความสงบความกระจา่างความเข้าใจหายสงสัยในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เมื่อเราถึง ขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปถามใครเราจะรู้อยู่แก่ใจของเราเองเพราะธรรมนี้เป็นเป็น เ, เป็นธรรมที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับการรับประทานอาหาร เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเราจะรู้ว่าอาหารนี้ดีหรือไม่รสชาติดีหรือไม่มีคุณมีประโยชน์หรือไม่ไม่ต้องไปถามใครเมื่อถึงเมื่อได้ผลแล้วจะรู้อยู่แก่ใจเองแต่การได้พูดคุยกับผู้ที่ผ่านมาแล้วหรือได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ผ่านมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถ้าเราได้พบกับความสุขภายในใจได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ความกังวลใจทั้งหลายแล้วได้พบกับความอิ่มปราศจากความหิวความอยาก ความต้องการสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่เดือดร้อนจะมีใครมารับรองหรือไม่ก็ต่ามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีใครมารับรองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งรับรองตนเองเพราะธรรมนี้เป็นสันติโกนั่นเอง ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้แก่ใจของตนเองนี่คือ <c oughs> <c oughs> การนำเอาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้ามาสู่ใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจคือ จะบรรลุเห็นธรรมนั่นเองการเห็นธรรมนี่แลก็คือการได้ธรรมะสารณะขึ้นมาในใจแล้วธรรมะสารณะนี้กับพุทธสารณะนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรมนี่ก็คือธรรมที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่าเป็นปฏิเวตธรรมเนี่ยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วจิตสามารถดับความหลงดับกิเลสดับตัณหาได้ก็จะเข้าสู่ความสงบ ก, ก็จะรู้ขึ้นมาว่านี่แหละคือธรรมะ และรู้ว่านี่แหละคือพุทธะเพราะพุทธะกับธรรมะนี้เป็นองค์เดียวกันธรรมะก็ออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจา้าและเมื่อเราน้อมเอาธรรมะนี้เข้ามาสู่ใจเราจนปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาในใจเราเราก็ได้ทั้งพุทธะได้ทั้งธรรมะและได้ทั้งสังขาร พราะสังฆะก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนปรากฏมีธรรมะขึ้นมาในใจของนตอนนั่นเองที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปุชุยายะสามิจิปฏิปันโนนี่เองก็คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั่นแหละก็คือเป็นสังฆะขึ้นมาเมื่อได้อย่างนี้แล้วจิตใจก็มีเกราะคุ้มกันมียารักษา โรคใจใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆตามลำดับชั้นของธรรมของแต่ละขั้นการบรรลุธรรมนี้มีขั้นที่จะต้องบรรลุอยู่สี่ขั้นด้วยกันแต่การจะบรรลุสี่ขั้นนี้จะเร็วหรือจะช้าก็ได้บางท่านอาจจะบรรลุพร้อมๆกันไปเลย หนึ่งถึงสี่ในเวลาอันใกล้กันบางท่านก็อาจจะใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าจะบรรลุถึงขั้นสุดท้ายได้แต่ก็เป็นธรรมที่จะจะได้บรรลุตามลำดับต่อไปเพราะเมื่อได้เข้าสู่ธรรมขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะมีเชื้อปลักดัน ให้ไปสู่ทำขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ตามลำดับจะไม่มีการถอยกลับคือได้ทำขั้นไหนแล้วจะไม่ตกลงไปต่ำกว่าทำขั้นนั้นเช่น<ส>จากปุตุชนมาแล้วได้บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง<ส><ส>ก็จะไม่เสื่อมลงจากอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งกลับไปเป็นปุตุชนอีกต่อไป มีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังของสติปัญญาความภาคเพียนที่จะบําเพ็ญถ้าบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องบําเพ็ญอย่างเต็มที่ก็จะไปเร็วถ้าสติปัญญามีความฉลาดแหลมคมก็จะไปเร็วถ้าสติปัญญาไม่ค่อยแหลมคมไม่ค่อยฉลาด ถึงแม้จะมีความเพียรมากก็จงสู้คนที่มีสติปัญญาที่แหลมคมกว่าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะช้าหรือจะเร็วก็จะไปถึงขั้นสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเพราะทําเป็นอย่างนี้พอได้ทําแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับไฟที่ได้เชื้อแล้ว พอไฟมีเชื้อแล้วมันก็จะไหม้ไปเชื้ออยู่ตรงไหนมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเชื้อจะหมดไปไฟถึงจะดับลงนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือจะได้มรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานที่เรียกว่าปฏิเวชนี้ก็คือ มรรคสีพ้นสีนิพพานอย่างนี้เองมรรคสีพ้นสีก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลอาณาคามีมรรคอาณาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นผลที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติจากการศึกษา พ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะมากีดขวางผลเหล่านี้ได้จากผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจึงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องสงสัยว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้ผลหรือไม่สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่คอยสอนคอยบอกทางเรายังสามารถ ปฏิบัติได้ผลเช่นเดียวกับสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่สั่งสอนหรือไม่ไม่ต้องสงสัยเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากเราไปว่าทาวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบ น, นีแลจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปร า, าศจากศาสดาถ้าตราบใดเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาสอนเราอยู่อย่างนั้นขอให้เราตัดความลังเลสงสัยต่างๆได้แล้วขอให้เราพุ่งไปที่การศึกษาในเบื้องต้นตั้งใจฟัง ฟังให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มงวดกวดขันบังคับตนเองให้ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าให้ภารกิจอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นมาแย่งเวลาของการปฏิบัตินี้ไปเพราะเรา เวลาของเรามีน้อยเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่เราจึงควรรีบใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ไปกับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเราจะได้รับผลที่อันเปรฐ เ, เมื่อเราได้รับผลเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ไม่เสียดายเวลาต่อไปเพราะเราได้สิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจแล้วนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถ้าเราต้องเสียชีวิตไปเราจะหมดโอกาสทองเพราะเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่ไม่รู้ว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ เราอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นกับเป็นการอีกกว่าจะได้มาพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมคำสอนพบพระอริยสงสากที่จะนำทางให้แก่พวกเราดังนั้นจึงขอสรุปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในวาระที่จะก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์ตนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะ๋าเถิดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพี่ยงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธประธรรมผระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละโดยทั่วหน้ากันเธอ